ทุกะองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดผ่านเราสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โบกไปมองเห็นธรรมซึ่งเป็นของอักันนี้เพราะเขาออกตั้งวิโชในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในใ จ, จิตใจแนะแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น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 ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประสงค์ออาจารย์าตามขั้นตามภูมิห่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทาง จ, จิตใจจนกระทั่งถึงความอาจารย์อันสูงสุดได้แต่วิมุต ค, ความบุพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกทุ ก, ทกทองจำเป็นต้องประกาศสอนธรรม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 คือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องฝืนทุกข์ลาบากก็ต้องผดเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทําจะต้องแบบต้องหามในขณะที่ทํางานนั่นแหละคําว่าทําเป็นหนึ่งทางาจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตจะเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะดที่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 สิ่งที่เะของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่เป็นเหมือนรถเนินมันนี่เร็วกว่ากระบิดนั่นเองการปฏิบัติจิตใจเป็นสิ่งสาคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทัวพันในจิตใจ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 เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสีย ใ, ใจกับสิ่งนั้นๆถ้าพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็มาตรัสรู้ที่เ ม, มือง ม, มนุษย์นี่เมือมนุษย์มันรรมสมบูรณ์ด้วยศัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดชัดทุกครั้งอริยตจังก็มีจักรกายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะ มนุษย์ฉลาดมนุษย์ทายาี่สัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มกักทุ่มปิติจะปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสกันหาสภา ว, วะมนุษย์ก็ทราบมักคืออะไรสึงไปมาที่ปัญญาสรุปลงแล้วนิโร ค, ความดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลาย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 มันระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้เราจะเห็นได้นะชัดในขณาที่จิตสงบตัวลงไปความคิดตุงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณาที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยมกความตุงมันสงบสมุทักทยก็สงบตัวไปด้วย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 ที่มันก่อควรอยู่เสมอเสมอเสมอมาและเหงคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยกัเป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกําลังแห่งความสมบงบนตําราท่านท่านจิวสมาธิอจิสตสงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรมวมลงเป็นสมาธิ นีมสมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อองสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจผูจะทำให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ถึกผู้ทำเองสมาธิมีความสงบต่ก็มีความร่มเย็นเป็นปกมีฐานเป็นท้องตนตั้งขึ้นภายในจิต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 แม้มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตาหปมหลักธรรมชาติห้องนอนพิจารณาตามความจริงข้องมันอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็รรู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทัง่งทนี้ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในข้ามขนันนี้ที่สุดตรงมีทั้งนั้นคอ้ทราบ ต, ตามความจริงหมองหรือไม่ต้องไปฝูนและต้องไปตั้งควำหยากขึ้นเพราะตั้งควำหยากก็คือความบกพร่องคือความหงหงินั่นเอง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 อาซย์ก็ท่าบอยู่ายในจิตตแต่ไม่สามารถที่จะนำออกขี่คายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้เพะเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองพอให้ทุกประพฤตปฏิบัติกาจัดสิ่งที่ตัวก็ปกโซมงทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเจิดนักพิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติขอตัวเอง คือเกิ น, น, น, น, นี้จิตันนีเรียนรรจบเียนโลกจะจบตรงนี้โล ก, กคือโลกแห่งขันนั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวเราเียนทรรก็คือทํามขันไหนจะว่าไรจนกระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบเพื่อการทํานเรียนโลกกระจบเรียนทรรก็รอดกรจบหายสงสัย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 ไปให้เห็นความอาจารย์ดังที่กล่าวแล้วในมันติพระพุทธเจ้าก็ดีพร ะ, พระสงฆ์สาวกอีท่านมีธรรมอรัจจัน์อยู่ภายในพระไถยไา่ ใ, ใจเราก็เป็นลูกศิษย์สถาบันนี้อันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความอรัจจ์ออกได้ด้วยการปฏิบนะัติธรรมะภาษาให้ลงสุดเช่นเดียวกับพระพุธทธเจ้าสถาบังหลายเป็ปรินนาให้พยายามทําให้ปลอดใสให้สงบ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 ทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เนรลยะเวลาอนุติตรงเกียนแท้่ะ